เรามาเรามาซัดนะวัดเปาวผัวถ้าภาษาจีนเด็กเปลวผัวซื้ออยู่เทือกเขาเออหมยซานนะเออหมีซานเกิถ้าภาษาไทยแล้วก็เขางอไบ้เป็นหนึ่งเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีนเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีนนี่มีเก้ามีเก้าแห่ง เป็นแบ่งเป็นของลทัทธิเตาห้าแห่งนะเป็นของพุทธศาสนาสี่แห่งเนะขางอใบเนี่ก็เป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ูปหนึ่งของของพุทธศาสนาพระเทศจประเทศจีนเขาชอบสร้างวัดตามตามเขาเพราะว่าหลักการสร้างวัดมันจะค่อยๆสูงขึ้นไปตามลำดับ หรือบางทีเนื่องจากวัดในเมืองจีนเขาอาจจะไม่ได้พึ่งพิงชาวบ้านในการวินทบาทเลยไม่เยไม่จำเป็นต้องอยู่ต้องอยู่แบบใกล้ๆหมู่บ้านเหมือนอย่างของเมืองไทยเราบางทีถ้าเราไปเห็นนู้จะรู้สึกอัศจรรย์ใจอยู่บนยอดเขาสร้างวัดไปได้ยังไงถนนทนทางก็ไม่มีต้องมีแต่ทางเดินขึ้นไปฉะนั้น ก็เห็นศรัทธาของเขาว่าตัวเขาจะสร้างสิ่งของอะไรต่างๆได้ก็ต้องอาศัยการการหามการแบกเดินขึ้นไปนะหลายกิโลนาพังเพียงแค่เราตัวเดินขึ้นไปนี่ก็ก็เหนื่อยก็นหนักแล้วนะแต่ในหลายๆที่นี่เขาสามารถแบกของขึ้นไปสร้างวัดได้นะก็เห็นถึงความศรัทธาของ ของพุทธศาสนาที่คนคนจีนเขาเขามีต่อพุทธศาสนาในอดีตนะหรืออย่างที่เราเห็นพระใหญ่จากการแกะสลักก็ดีอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายส่วนที่ที่เป็นการแกะแกะพระให้เป็นถ้ำลายถ้ำมากขุดเจาะแกะให้เป็นลูปถ้ำบ้างให้เป็นพระพุทธรูปนะ ส่วนต่างๆบ้างมันก็เห็นถึงความความอุตสาหานะเนาะความเพียรแต่จริงก่อนก่อนที่มันจะมีความเพียรได้ไมันมีอะไรคือมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ยากที่จะมีความเพียรเพราะว่าถ้าเราศรัทธาสิ่งใดเราก็จะมีความความมุ่งมั่นหรือว่ามีความเสียสละหรือว่ามีความทุ่มเทกับสิ่งตรงนั้น อย่างถ้าเรามีศรัท ธ, ธาในการนับถือพุทธศาสนาแล้วก็มีความเพียรในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ตอนนั้นความเพียรของแต่ละคนอาจจะออกไปรูปแบบแตกต่างกันไปนะบางคนความเพียรในการสร้างวัตถุสิ่งของนะหรือว่าการเสียสละทรัพย์ในการบริจาคทรัพย์หรือบางคนอาจจะมีความเพียรในความเชื่ออย่างเช่น เขสวดมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระนะหรืออย่างเมืองจีนเขาก็มีการสวดเขาเรียกว่าอมิตาภูธนะเดินสวดอมิตาภูตนะบางคนก็สวดทั้งวันบางคนก็สวดวันละใดเวลาเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าสวดอมิตาภูตบ่อยๆก็จะทําให้เมื่อตายไปแล้วเขาจะเข้าถึงสภาวะนะไปอยู่กับดินแดนของสุขขาวดีดินแดนของพระพุทธ ของเรียกว่าอมิตตพุทธก็ได้อันนั้นก็เป็นความเชื่อแต่ในส่วนของเราเองถ้าถ้าเรามีความเพียรในในทางปฏิบัติในทางฝึกจิตฝึกใจเราก็อาศัยตรงนั้นแหละเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็อาศัยความเพียรในการฝึกจิตฝึกใจของเราเองในการเรียนรู้จากตัวของเราเองในการฝึกสติเพื่อให้เกิดปัญญานี่ยแหละมันก็เป็นความเพียรในทางที่ สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้นะดังนั้นศรัทธานะก็เป็นสิ่งที่ทสาคัญนะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะสามารถทำอะไรได้ด้วยความทุ่มเทด้วยความพยายามนะด้วยความที่เรียกว่าเห็นว่าเป็นงานดักงานสำคัญของของชีวิตนะเราสามารถระดับซั์ได้เพราะศรัทธา เราสามารถสลับเวลาได้ เ, เพราะศรนะัทธาเราสามารถอดทนอดกั้นไดนะ้แม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะหนักแม้มันจะยากได้ เ, เพราะเรามีศรัทธาดังนั้นศรัทธาเป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะแต่ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้าเป็นศรัทธาอย่างเดียวซึ่งถ้าไม่มีปัญญามาประกอบบางทีอาจจะโดน มันจะใกล้เคียงกับความเชื่อหลงงมงายนะในการแค่ทําตามๆกันมาเฉยๆเห็นเขาทาแบบนี้ก็ทําตามไปด้วยนะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทําทําไปเพื่ออะไรนะทําไปได้อะไรนะแล้วสิ่งที่เขาเชื่อกันนั้นมันจะได้กินหรือเปล่าก็กยัง ไ, ไม่แน่ใจแค่ทําไปเป็นเพียงแค่ประเพณีหรือเป็นพิธีกรรม ถ้าสัทธาแบบนั้นก็อาจาจะยังไม่ทำให้เราเข้าถึงสภาวะพุท ธ, ธาจริงๆนะมันก็อาจาจะดีในแง่การรักษารูปแบบการมีการมีข้อวัดปฏิบัตินะซึ่งมันก็ดีดีแต่ก็ดีในระดับหนึ่งเท่านั้นนะแต่ถ้าเรามีศรัทธาในพระัตนตยอย่างแท้จริงนะเราจะมีปัญญาในการเห็นด้วยว่า สิ่งที่เป็นหลักครับสังสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรนะถ้าจะว่าจะย aw, ่อคือการสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตคืออะไรนะถ้าจะสรุปให้เป็นหลักจริงๆคืออริยสัจสีนะ่ความจริงที่แท้จริงก็คือเรื่องของความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราเองก็ดีจะเป็นกายก็ดีเป็นใจก็ดีหรือเป็นสิ่งรอบข้าง เป็นผู้คนเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นธรรมชาตินะก็คือมีแต่สภาวะทุกทุกคือสภาวะที่มันไม่สามารถคงทนอยู่ได้นะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปของมันนะมันมีความเป็นเรียกว่าเป็นไปของมันเองอันนี้คือเรียกว่าสภาวะทุกนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความทุกข์เป็นธรรมดานะความทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้อง เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอความทุกข์ที่ไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมได้เพราะพรกพุจ้สอนให้เรารู้จักทุกข์นะรู้จักทุกทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้จักนะทั้งกายเราเองก็ดีใจเองก็ดีเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรให้เรามาศึกษาดูแม้ในสภาวะที่เรียกว่ามันมีความสุขนะแต่มันก็ยังมีความทุกข์แฝงอยู่ในนั้นนะถ้าเรายังจับสุขไม่ดีมันก็จะกลายเป็นทุกข์นะมันเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างมันมนมีความทุกข์แฝงอย่างนั้นในร่างกายที่เราที่ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็ยังมีความแก่สุดท้ายก็ยังมีความตายในสภา ะ, ะจิตใจที่วันนี้มันอาจจะมีความสบายดีหรือไม่ได้ทุกข์อะไรมากแต่แท้จริงแล้วมันก็แฝงอยู่ในความที่ยังมีกิเลสยังมีโรคโกรธหลงยังมีตัณหายังมีอะไรต่างๆอยู่มันยังแฝง ที่มันจะพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเมื่อไรที่เราขาดสติหรือเมื่อไรที่เราเจอสิ่งที่ทำให้เกิดความกระเทือนใจนะคือความทุกข์นั่นก็เหมือนกับเชื้อโรคที่มันแฝงอยู่ในร่างกายของเรานะมันพร้อมที่จะปรากฏนะปรากฏโรคปรากฏภยัยปรากฏความทุกข์ให้เห็นอยู่เสมอเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกหัดก็คือการที่เรา ต้องรู้ทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นให้มันเร็วๆเมื่อเรารู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันก็จะดับไปนะอันนี้คือการรู้ทุกข์นเะมื่อเราเมื่อร่ที่เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นนะเราก็จะเห็นเราจะเข้าใจว่าสาเหตุของความทุกข์มันคืออะไรนะเราก็ละไปละสาเหตุของความทุกข์คือตัณหาคือความอยากคืออุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือสาเหตุนนะมันเกิดขึ้นมาถ้าเราละมันเสียหรือเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็หายไปความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรายึดมั่นถือมัน่นความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีความอยากเกิดขึ้นเราก็มารู้เราก็มาละที่ตรงนี้ละตรงนี้ได้ก็เกิดความไม่ทุกข์นะก็คือการปฏิบัติสิ่งต่างๆ่นั้นคือคามมการปฏิบัตินะ <ST> การปฏิบัติในการมีศีลมีสมาธนะิแล้วก็เดินปัญญาเนะี่ยคือการปฏิบัติที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้พรนะพุทธเจ้าท ส, สอนเรื่องอริยสัจสี่แล้วเนะี่ยเป็นความจริงของของชีวิตนะถ้าเรากลับมาศึกษาชีวิตก็คือการที่เราศึกษาแล้วก็เข้าถึงความจริงถ้าเราศึกษาตรง น, นี้แหลถือว่าเป็นการวุ่งตรงสู่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง เป็นหัวใจของสภาวะพุทธหรือว่าพุทธศาสนาก็ว่าได้อันนี้เราจะมีพิธีกรรมหรือว่าเราจะมีรูปแบบหรือเราจะมีการนับถือพุทธศาสนาแบบไหนก็แล้วแต่นะอาจจะเริ่มต้นด้วยศรัทธากลาบไหวบูชาสวดมนต์ไหว้พระนะหรือทาบุญทำทานนักษาสาน์ก็ดีแต่ถ้าเราต่อยอดนะในการให้เห็นว่า สิ่งที่พระเจ้าท่าสอนคือเรื่องให้เกิดปัญญาในการเข้าใจความจริงของกายของใจนะของรูปของนามอันนี้ถ้าเราตอดยอดตัว น, นี้ได้มันจะเป็นศรัทธาที่ที่มั่นคงเพราะาเป็นศรัทธาที่เรานะสามารถเข้าถึงความจริงของชีวิตได้มันจะไม่เป็นศรัทธาที่โง่หลงงมงายหรือว่าแค่ทำตาม พิธีกรรม ท, ทาทำประเพณีแล้วสุดท้ายถ้าเราเข้าใจตรง น, นี้แล้วเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วการมีศรัทธาของพระพุทธเจ้าและไม่จะเป็นว่าจะต้องแค่ทําพิธีกรรมเท่านั้นแค่ใจเราขณะที่ฝึกหัดภาวนาขณะที่เรารู้ตัวอยู่เสมอหรือขณะที่เราพยายามละ ก, กิเลสละตัณหาออกไปจากจิตใจอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เป็นการปฏิบัติบูบชาอยู่เสมอนะปฏิบัติในการชาระเครื่องเศ้าหมองออกจากจิตใจแหละเป็นการปฏิบัติบตูชาที่แท้จริงเลยนะี่นะเป็นสิ่งที่ที่สาคัญมากเมื่อเรามีศรัทธาที่ถูกทางเมื่อเรามีปัญญานะในทางที่ชอบแล้วนะ ความเพียรย่อมตามมาแน่นอนนะอาจจะเป็นความเพียรในการทำสิ่งภายนอกด้วยนะแต่ก็เป็นการล ด, ดะสิ่งภายในใจของเราไปด้วยก็กตามหรือบางคนอาจจะมุ่งเน้นในการทำภายในนะไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างสิ่งภายนอกนะหรือการมีพิธีกรรมภายนอกก็ตามก็ก็ถือว่าเป็นเป็นจริตนะเป็นแนวทางของแต่ละ บ, บคุคคล เราอาจจะเห็นไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นตรงกับเรานะแต่ก็ขอให้ละไว้ในในความต่างของแต่ละบุคคลนะบางทีความหลากหลายในความเห็นก็ดีในความเชื่อก็ดีมันกลายเป็นความงดงามนะบางทีถ้าเรามองเลยดีมันกลายเป็นความงดงามถ้าโลกนี้มีแต่คนคิดเหมือนเราทั้งหมดนะมีแต่คนเชื find, moment, everything everything rain, ora, saints, ่อเหมือนเราทั้งหมดมีแต่คนทําเหมือนเราทั้งหมดนโลกนี้มันก็คงเหมือนกับของในโรงงานนะ มันมีแต่ของก๊อปปี้กันทั้งนั้นนะมันก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่จริงแล้วโลกนี้มันงดงามเพราะว่ามันมีความหลากหลายนะมันมีความแตกต่างนะมันมีสิ่งที่ที่ไม่เหมือนกันมันก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่แตกต่างเกิดเป็นการเกิดเป็นพิติกรรมที่แตกต่างเกิดเป็นความเชื่อที่แตกต่างไปนะแต่ถ้า สิ่งต่างๆวันนั้นมันเป็นสิ่งในการยกระดับจิตใจผู้คนให้ให้ดีขึ้นให้ลดงามขึ้นนะก็ถือว่ามันเป็นแนวทางเดียวกันนั่นแหละนะก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วนะอนุโมทนากันนะแม้เราจะเห็นไม่ตรงกันหอหรือเชื่อไม่ตรงกันในส่วนของดีกย่อยภายนอกนะแต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสออกจากจิตใจนะ มัเป็นการกระทําไปเพื่อให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความรู้จักตนเองที่แท้จริงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่น่าอมตะ น, นะเพราะว่าพุทธศาสนาของเราก็จะก็มีความหลากหลายจะเป็นพุทธแบบเทรวาสอย่างเมืองไทยจีนกลางหรือพมา่านะหรือเป็นพุทธแบบมหายานจี น, ะนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่า ง, างหรือเป็นพุทธแบบ บัชรยานแบบทิเบตแบบฟูทานแบบเนปลาลเนี่ย<ม>ก็มีความหลากหลายที่จริงอันนี้เป็นเพียงแค่ต้นทาน ใ, นใหญ่ใน3ามรูปแบบแต่ในความในรายละเอียดของแต่ละนิกายนะแต่ละสำนักก็ก็หลากหลายนะถ้าเรามองเป็นแง่ของความกดงามของพุทธเจ้านะที่สามารถเอาธรรมะไปแทรกซึมกับ นะวิถีชีวิตของแต่ละประเทศได้หรือว่าเปกลมกลืนให้กับเขาเชื่อได้นะโดยอาศัยตัวดักหัวใจคือการเรียนรู้เรื่องความทุกข์แล้วก็การดับซึ่งความทุกข์ตนะี้เอาไปแทรกนะในพิธีกรรมในรูปแบบในวัดในสถาปัตยกรรมในอะไรต่างๆในคำพีในบทสวดนะี่มันก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดความสวยงามนะดีที่ แต่ละฝ่ายได้มาช่วยกันนะเพราะบางทีแต่ละคนในโลกนี้เนาะแต่ละสัตว์ในโลกนี้มันเหมือนคล้ายๆบางทีก็รางเนื้อชอบรังยานะนะมันก็เลือกเอาตามความเหมาะสมตามจะดิตทรรนิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งมันก็เป็นการส่งเสริมกันบางทีถ้าเราเปิดใจกว้างแล้วก็เรียนรู้เราก็จะเห็นเห็นมุมมองที่ดีๆเห็นสิ่งที่ดีๆเห็นอะไรที่ดีๆแล้วเราก็สามารถ เอามาใช้ในในการปรับปรุงตัวของเราเองก็ได้นะเราถ้าเราเปิดใจกว้างแล้วก็เรียนรู้ในความหลากหลายเรียนรู้ในความเชื่อที่แตกต่างไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะเห็นแล้วก็เออก็สามารถยิ้มได้นะยิ้มอนุโมทนากับเขานะอนุโมทนาในสิ่งที่เขาทำนะมันก็ดีแล้วนะสิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ดีหรือว่าเห็นว่ามัน เกินไปนะหมกมุ่นเกินไปแล้วก็เขาไม่ได้ตําหนิติเตียนอะไรเราก็เพียงแค่แค่รู้ไว้นะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีไม่มีอะไรไม่มียังไม่มีสิทธิ์หรือว่าอาจจะไม่มีกําลังที่จะไปแนะนําอะไรเขาแล้วก็เฉยๆไว้นะถือว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีวาสนาก็คงได้ได้แนะนําเกิดไปอันนี้ ก็เป็นสิ่งในการที่เราได้มาเดินทางเนาะเดินทางมาสู่ดินแดนที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะแม้จะใกล้ชิดกันนะเช่นดินแดนของประเทศจีนซึ่งที่จริงก็มีความหลากหลายมากนะทั้งเชื้อชาติทั้งภาษาหรือทั้งรูปแบบในการนับถือศาสนามันมีความหลากหลายมากนะมันมีในเมืองเราจะผ่าน ตัวเมืองที่เขาบอกเขานับถือระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะแต่ในเมืองก็กลายเป็นทุนนิยมเต็มตัวนะแต่ในวัดในวาแม่กลางวันอาจจะพุกพล่านไปด้วยผู้คนแต่ตอนเย็นตอนค่ําตอนกลางคืนก็กลับกลายเป็นความสงบตอนเช้าก็มีเสียงสวดมวนต์ไหว้พระยังมีพิธีกรรมมันเหมือนบางทีมันเป็นความแตกต่าง เป็นความสุดโต่งนะกรรวันนี่เปิดเต็มที่นะดำเนินธุรกิจในการให้ที่พักในการบูชาสิ่งต่างๆเต็มที่แต่วิธีของพระในที่นี่นะวิธีของคนในที่นี้ก็ยังมีมีกิจวัตรส่วนมนไหว้พระมีอะไรต่างๆมีความเป็นอยู่ที่ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเปฟยนะเขาเขาเขามีของเขาอยู่นะบางทีมันเป็นความเหมือนเป็นความสุดโตง่งมีความแตกต่างแต่จริงมันเขาก็สามารถเอาความ แตกต่างให้มาตลมกลืนกันได้นะก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าน่าสนใจนะน่าสนใจเพราะบางทีเขาก็อาจจะใช้การปรับตัวนะกับสังคมในปัจจุบันในสังคมของเขาเองของเราเองก็เหมือนกันนะเราก็มาเข้าเมืองเข้าแล้วนะก็เราก็มาเรียนรู้ดูนะอยู่ในเมืองมันมีสภาวะกระตุ้นเราอย่างไรนะเราก็ดู โดยใจของเรานะอยู่ในที่ที่สงบที่มันเกิดศรัทธาได้เราก็ถือว่าดีเลยนะอาศัยสถานที่อาศัยความสงบอาศัยสิ่งที่น่าบูชาในการเจริญภาวนาต่อเลยอันนั้นก็เราก็ต้องเป็นเป็นการปรับตัวของเราเนาะเป็นการเรียนรู้นะก็ถือว่าดีนะที่พวกเราได้ให้มาเดินทางด้วยกันนะได้เดินทาง นอกจากได้เห็นสิ่งที่คล้ายๆกันแล้วนะได้ได้ฟังนะหรือว่าได้สัมผัสรสชาตนะิกับสถานทีนะ่กับบรรยากาศเหมือนกันนะเราก็จะได้เดินทางภายในของเราด้วยก็คือการเดินทางคือการยกระดับจิตใจให้เราเข้าถึงสภาวะแห่งพุทธก็คือการรู้จักตนเองอยู่เสมอนะสิ่งได้เกิดขึ้นในกาย สิ่งใดเกิดขึ้นในใจเรารู้จักนะรู้จักแล้วก็ยอมรับนะแล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละรื้แล้วก็เลิกไปนะให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นชั่วคราวนะแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันเองเนะี่ยคือเหตุสภาวะตัวนี้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับในจิตของเราอยู่เสมอนะเราก็จะ เราก็จะเป็นการเดินทางภายในควบคู่กับการเดินทางภายนอกด้วยเนาะ mm hmm. ก็ชานี้ก็คงพอสมควร น, นะเรากลากบพระ ก, กัน